ในวิธีการแสดงธรรมของภาษาเรบุตรกล่าวถึงในอัตตกถาอัตตกถาชี้แจงว่ า, าวิธีการแสดงธรรมของภาษาเรบุตรเนี่ยนะท่านอุปมาเหมือนกับช่างจักสารนี่ยนะช่างจักสารที่ที่อะไรหน้า530ข้างล่างบอกว่าเหมือนอย่างว่าช่างจักสารผู้ฉลาดนี่ยนะก็ไปตัดไม้ไผ่มาหนึ่งลำ หนึลำเนี่ยลำหนึ่งมันยาวใช่ไหมไม้ไผ่หนึ่งลำอะ่ะก็แปลว่าไม้ไผ่หนึ่งต้นไปตัดไม้ไผ่มานหนึ่งต้นพอมาได้หนึ่งต้นแล้วก็มาตัดเป็นสี่ท่อนนะนะตัดไม้ไผ่เนี่ออกเป็นสี่ท่อนเสร็จแล้วก็ผ่าทีเดียวทั้งสี่ท่อนได้ไหมไม่ได้ก็วางไว้ก่อนสามท่อนเอาหยิบมาหนึ่งท่อนแล้วก็เอามามาผ่ามาผ่าออกเป็นห้าซีกนี่นะมาผ่าท่อนไม้ไผ่เนี่ออกเป็นห้าซีก ทีนี้มันผ่าทีละห้าซี่พร้อมกันเลยเนี่ยได้ไหมบอกอยากก็วางไว้สี่ซี่ก่อนแล้วเอาซี่ที่เอาหนึ่งซีกนั่นแหละมาผ่าออกเป็นห้าเสี้ยวจากห้าเสี้วนั้นก็วางไว้ก่อนสี่เสี้ยวแล้วก็มาผ่าเอาหนึ่งเสี้ยวมาเกลี่ยเรียกว่าเป็นส่วนท้องส่วนภายนอกกับส่วนส่วนด้านในกับด้านนอกเนี่ยนะเรียกว่าด้านท้องกับด้านหลังเรียกว่าด้านผิวกับด้านท้องของไม้พาย นะใครที่เป็นช่างจักสารเนี่ยฟังไม่ยากอะไรเสร็จแล้วก็เว้นส่วนหลังก็ถือเอาเฉพาะส่วนทองแล้วก็กระทําการเป็นเครื่องสารไม้ไผ่หลากชนิดมีหีบ พ, พัดละวีชนีพัดใบาตานเป็นต้นก็เอามาจักมาสารเป็นเป็นอะไรเป็นเสือลำแพนเป็นอะไรเป็นต้นโดยใช้ไม้ไผ่เป็นเครื่องจักสารที่ทํามาจากไม้ไผ่แต่ขั้นต้นเนี่ยเขจะค่อยๆทําอย่างนี้ยนะแล้วก็เอามา แค่ว่ามาจักมาสารเป็นเครื่องจักสารเนี่ยนะเป็นเครื่องสารเป็นฉลอมเป็นกระบุงเป็นอะไรเป็นต้นที่โดยใช้โดยไม้ไผ่แต่เบื้องต้นนั้นก็ต้องอะไรนะมาตัดก่อนนะเป็น1ต้นตัดออกเป็นทอนเป็น4ท่อนวางไว้ก่อน3ท่อนแล้วเอาหนึ่งท่อนมาผ่าเป็น5ซีกแล้วเอาหนึ่งอีกหนึ่งั้นน่ะมาผ่าอีกเป็น5ซีกแล้วก็เอาอีกหนึ่งนั่นแหละมาผ่าเป็นส่วนหน้ากับส่วนหลังเนี่ยนะ แ ล, แล้วก็ทําอย่างเงี้ยไปจนจนทุกชิ้นจนสําเร็จเสร็จแล้วก็มานั่งมาจากักมาสารก็จะเป็นเครื่องใช้เนี่ยนะเป็นเครื่องสารฉั้นใดฝ่ายพระมหาเทระคือพระสารีบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะเริ่มตั้งพระสุตตันตะใหญ่คือสูตรใหญ่เป็นสูตรใหญ่มากนะสูตรใดที่ยกอริยสัจมาตั้งสูตรนั้นชื่อเป็นสูตรที่ใหญ่มากเลยถ้าขึ้นต้นด้วยอริยสัจเนะี่ยถือว่าสูตรใหญ่มากเพราะอริยสัจเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นธรรมเทศนาของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดจะปิดกสามอ่นนะปิดกทั้งสามนี่ก็มุ่งอธิบายอริยสัจนั่นแหละท่า น, นก็เลยยกอริยสัจขึ้นมาก่อนเปรียบเหมือนนายช่างสารได้ไม้ไผ่ที่ดีแล้วก็แบ่งออกเป็นสี่ส่วนฉะนั้นเนี่ยนะแบ่งไม้ไผ่อ่นนะได้หนึ่งลำมาตัดเป็นสี่ส่วนก็เหมือนกับอริยสัจนั่นเองพระเถระเวนสัจจะสาม ข้อหลังก็คือเว้นสมุไทยนิโรธมร์เอาไว้ก่อนถือเอาทุกขสัจจะอย่างเดียวจำแนกออกมาเป็นห้าขันหาส่วนก็คือโดยความเป็นขันห้าเหมือนจากสารที่เว้นเว้นไหนเว้นสามท่อนแล้วก็เอาท่อนเดียวเนี่ยมาผ่าออกเป็น5ซีกห้าส่วนจากนั้นพระเถระก็เว้นนามขันสีเว้นนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถือเอาเฉพาะรูปประขัน นี่รูปประคันก็มาทําให้เป็นห้าส่วนห้าเซี่ยวอ่ะนะหเซี่ยวคืออะไรคือเป็นภูตรูป4ี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4ี่อีกหนึ่งนะห้าส่วนก็คือมหาภูตรูป4ี่เป็น4ส่วนเลยใช่มหาภูตรูปแต่ละอย่างก็เป็นอย่างละอย่ส่วนอย่างละส่วนก็เท่ากับ4ส่วนอุปาทายรูปเป็น1ส่วนเปรียบเหมือนช่างจักสานเนี่ยนะเว้น4ส่วนแล้วก็ถือเอาส่วนหนึ่งผ่าออกเป็นห้าเซี่ยวฉะนั้น จากนั้นก็เว้นอุปาทายรูปออกไปและเว้นธาตุสามอย่างออกไปเนี่ยนะอุปาทายรูปไม่พูดถึงน้าไฟลมยังไม่พูดถึงเอาปฐวีธาตุอย่างเดียวมาแสดงออกเป็นสองส่วนปฐวีธาตุคือธาตุดินสองส่วนนั้นก็แบ่งเป็นธาตุดินภายในกับธาตุดิน ภายนอกเรียกว่าอัจฉิกะรูปรูปภายในพาหิระรูปรูปภายนอกเปรียบเหมือนช่างสานเนี่ยเว้นเอาสีส่วนออกไว้ก่อนเอามาหนึ่งส่วนแล้วมาผ่าส่วนท้องกับส่วนหลังทีนี้ในส่วนท้องและส่วนหลังถือเอาส่วนเดียวมามาพูดก่อนก็คือส่วนส่วนภายนอก เ, อเว้นภายนอกเปรียบเหมือนเหมือนอะไรเหมือนภูตรูปที่เหลือเนี่ยนะเว้นภายนอกคือรูปภายนอก ถือเอาเฉพาะรูปภายในคือปฐวีาธาตุภายในโดยอาการ20เนี่ยนะอันนี้เป็นวิธีการแสดงเนี่ยนะอริยศาสตร์มี4เวนศาสตร์จะสมถือเอาแต่ทุกมาอย่างเดียวทุกขศาสตร์จะมี5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถือเอาแต่รูปมาอย่างเดียวแล้วรูปนั้นก็แบ่งออกเป็นภูตารูป4ี่และอุปาทายรูปหนึ่งนับเป็นห้า เวนพูตรู เ, เวนภูตรูปอุปาทายรูปถือเอาปฐวีมาอย่างเดียวปฐวีก็เอามาเป็นอะไรนะแบ่งออกเป็นสองคือปฐวีภายในกับภายนอกเวนภายนอกออกไปหรือเอาแต่เฉพาะภายในเนี่ยนะภายในก็มามาซอยเอกนะมาทําให้บางบางบก็เท่ากับเป็นกี่กี่เสี้ยวกี่ชิ้น20ชิ้นก็เลยแสดงเป็นมหาภูตรูปคือปฐวีาธาตุเนี่ยนะยีส่วน20ส่วนที่อยู่ภายใน อันนี้ในที่1เนี่ยนะในที่หนึ่งแต่ทีนี้ที่จริงแล้วเนี่ยถามว่าเอาแล้วอริยสัตว์ที่3ข้อที่เหลือเอามาแสดงไหมสมุทัยนิโรธมรดแสดงไหมแสดงแต่ว่ามีใครพูดทีเดียวพร้อมกันเมารวดทีเดียวหรอกกันนะก็เอามาแสดงเหมือนกันแล้วขันห้าขันที่เหลือเอามาแสดงด้วยไหมบอกแสดงแต่นะแต่พูดเอารูปก่อนแล้วรูปทั้งหลายเนี่ยยกปัทวีมาอย่างเดียวแล้วอย่างที่เหลือเอามาแสดงอีกไหมเอามาแสดง แล้วบรรดาภูตรูปเนี่ยยกปัทวีธาตุขึ้นมาเนี่ยแสดงแต่พัทวีภายในภายนอกแสดงด้วยไหมบอกแสดงน่นะแต่ไม่ไม่สามารถจะพูดโดยพร้อมเพียงกันทีเดียวก็ค่อยๆแสดงไปเนี่ยนะแต่ถ้าเรามองโครงสร้างอย่างนี้ออกก็เข้าใจไม่ยากว่าอริยสัตว์สีขัน Cham ห้มาภูตรูปสเนี่ยนะแล้วก็ตอนหลังก็เอาขันหามาสงเคราะห์ตามอายตนะผา ก็ ว, ว่าเอาขันห้ามาแสดงลงภายในทวาร6เอาขันหในทวารหมาประชุมลงปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ประชุมลงอริยสัจ ต, ตามทวารต่างๆนั่นแหละอันนี้เป็นใจความโดยสรุปของพระสูตรนี้เป็นอย่างนี้อันนี้อุปมาที่หนึ่งอีกอุปมาหนึ่งนะนะเปรียบเหมือนข้ออุปมาด้วยราชบุตรเนี่ยนะอุปมาด้วยราชบุตรเปรียบเหมือน มหาราชาองค์หนึ่งมีพระราชโอรสมากกว่าพันองค์ก็แปลว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่นะพระเจ้าจักรพรรดินี้เก็บเครื่องประดับของพระโอรสเหล่านั้นเอาไว้ในหีบใหญ่สีใบมอบเอาไว้ให้เชษฐโอรสคือลูกชายองค์โตเนี่ยนะแล้วก็ตรัสสั่งว่าลูกเอ้ยเครื่องประดับนี้เป็นของพวกน้องของเจ้าเมื่อคราวมีมหรสพเจ้าจงให้เครื่องประดับนี้เพราะฉะนั้นเมื่ อ, อเมื่อมีงานแล้ว่จึงค่อยให้น้องๆไป ไม่ใช่เอามาแจกเกลียทีเดียวเลยนะเมื่อมีงานมีการก่อนค่อยเอามาแบ่งให้น้องๆเขาใช้นะบอกถามทําไมอะ่ะเอาถ้าแจกซะทีเดียวหมดเดี๋ยวก็น้องเอาไปทิ้งไปคว่างที่ไหนหมดก็ไม่รู้เนี่ยนะก็ต้องค่อยๆแจกค่อยๆแบ่งกันไปเชษฐโอรสลูกชายองค์โตก็ทูลรับว่าพระเจ้าค่าแล้วก็เอาอันนัเอาอะไรเอาเครื่องหีบทองเป็นต้นเนี่ยไปไว้ใน ห้องเก็บราชสมบัติในวันมหรสพเช่นนั้นอัน น, นเมื่อมีงานเหล่าราชโอรสก็พากันเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแต่เสด็จพ่อขอได้โปรดพระราชาทานเครื่องประดับแก่พวกหม่อมฉันเถิดพวกหม่อมฉันจกเล่นนักษัตริย์พระราชาก็ตรัสว่าลูกเอ้ยพ่อได้มอบเครื่องประดับเอาไว้ในมือพี่ชายของพวกเจ้ า, าไว้แล้วพวกเจ้าจงนําเครื่องประดับนั้นไปเถิดนนไปขอจากพี่ชายแล้วกัน พระโอรสเหล่านั้นก็รับพระดํารัสแล้วก็พากันไปหาเชษฐโอรสลูกชายคนโตเนี่ยนะหรือพี่ชายคนโตแล้วก็ทูลขอเครื่องประดับจากเชษฐโอรสเชษฐโอรสคือพี่ชายองค์โตนี้ก็นํานําเข้าไปในห้องไม้จะเอาหีบใหญ่ทั้ง4ี่ใบออกอ น, นะหีบมีใหญ่ๆที่เก็บสมบัตินี่มีอยู่สี่หีบด้วยกันเอาไว้ก่อน3มหีบก็เปิดเปิดหีบที่1หีบที่หนึ่งมันก็มีหีบเล็กๆอยู่ข้างในอีก ถหีบเนี่ก็เอาอีกหนึ่งหีบมาแสดงเนี่ยนะแล้วก็ในหีบเล็กนั้นอ่ะก็ยังมีอีกสองหีบเล็กๆข้างในนะ่ยแล้วกค่อยแบ่งอัหีบเล็กนั้นก็เอาแจกไปทีละอย่างทีละอย่า ง, อางพอแจกนี่เสร็จก็ค่อยๆเปิดหีบทะเลเล็กๆเล็เปิดหีบเล็กเปิดหีบเล็กเสร็จก็ไปเปิดหีบใหญ่แล้วก็ค่อยจำแนกอย่างเนี้ยนะแจกจ่ายเครื่องประดับไปจนครบบริบูรณ์ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เหมือนกับมหาราชเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเปรียบเหมือนพระธรรมมหารรรมาชาเปรียบเหมือนมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชาอันยอดเยี่ยมพระองค์ก็ตรัสบอกเซรพราหมาดูก่อนเซรพรามเราก็เป็นพระราชาคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะเซรพรามเนี่ยไปเห็นพระพุทธเจ้าประกอบด้วยลักษณะมหาปุริสลักษณะ32ก็คิดว่า บุคคลผู้ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32ถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นไงจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเออก็เลยกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ทรงครองเรือนเถิดพระเจ้าค่าก็บอกว่าจะได้เป็นพระราชาบอกพระองค์ก็บอกว่าตอนนี้เราก็เป็นพระราชาอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นอะไรเป็นพระธรรมราชาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เหมือนกับมหาราชพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะเป็นมหาราชา ภาษาริบุตรก็เหมือนกับเชตโอรสคือพระอรสองค์โตที่สุดเนี่ยนะเป็นโอรสองค์โตที่สุดของพระราชาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะเรียกโดยชอบพึงเรียกภิกษุนั้นได้ว่าอั น, น, นเรียกภิกษุนั้นคือสารีบุตรว่าพระษาริบุตรนั่นแหละเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดแต่โอตคือคําสอนเป็นโอรสที่เกิดจากธรรมเป็นโอรสที่ทํามเนรมิตร เป็นโอรสผู้เป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ไม่ใช่อามิตทายาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือผู้ที่เป็นบุตรของพระองค์อย่างแท้จริงเนี่ยนะบุคคลนั้นต้องเกิดจากคำสอนของพระองค์ น, นีใอย่างหนึ่งสองเกิดจากธรรมคือโลกุตระธรรมอันโลกุตระธรรมเนรมิตเป็นผู้รับมรดกคือโลกุตระธรรมไม่ใช่รับมรดก ค, คือปัจจัยสี่มีเสนาสนะเป็นต้นของพระผู้มีพระภาคเจ้า นั้นคนนั้นคือใครก็คือภาษารียบทภาษารียบนี้เกิดจากโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเพราะภาษาเรียบรเกิดจากพระธรรมเทศนาฟังแล้วได้ตรัสรู้ธรรมภาษาเรียบทเกิดจากโล ก, กุตระธรรมโล ก, กุตระธรรมเ น, เนรมิตภาษารียบทขึ้นภาษารียบนั้น เ, เป็นเสนาบดีโดยโดยธรรมแล้วก็โดยโล ก, กุตระธรรมเนี่ยนะภาษารียบนั้นเป็นผู้เป็นธรรมธายารับมรดกของ พระพุทธเจ้ารับมรดกคือาศาสนธรรมคําสอนรับมรดกคือโพธิปัขิยธรรมทั้งมวลของพระพุทธเจ้าไปภิกษุสงเหมือนใคร น, นะพระพุทธเจ้าเหมือนพระมหาราชาใช่ไหมภาษารีบทเหมือนโอรสองค์โตภิกษุสง์ทั้งหลายก็เหมือนราชโอรสมากกว่าพันของพระองค์อย่างที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุมากกว่าพันรูปเข้าไปเฝ้าพระสุคตผู้แสดงธรรมปราศจากทุรี ผู้ไม่มีตัณหาชื่อว่าวานะผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นสุขพระสุคตคือผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะไปไหนพระพุทธเจ้าสุคตไปไหนไปสู่อมตะนิพพานพระองค์นี้แสดงธรรมที่ปราศจากทุลีคือราคาพระธรรมของพระองค์นี้ไม่เจือปนด้วยราคะไม่เจือปนด้วยโทสะไม่เจือปนด้วย โมหะไม่เจือปนด้วยกิเลสและองทุลีบาปอากุศสรธรรมเหล่าอื่นเลยพระองค์ไม่มีตันหาที่ชื่อว่าวานะวานะนี่เป็นตัวเชื่อมโยงตันหาที่ชื่อว่าวานะเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเชื่อมอะไรเชื่อมกรรมให้มีผลนะเชื่อมกายกรรมให้รับผลต่อไปเชื่อมวจีกรรมให้รับผลต่อไปเชื่อมมโนกรรมให้มี ผลต่อไปเชื่อมกากจากภพหนึ่งสู่ภพเชื่อมจากการมมาภพสู่อรูปประภพและอรูประภพเนี่ยนะเชื่อมจากเกิดในคันให้ไปเกิดในคันต่อไปเชื่อมจากเกิดในคันให้ไปเกิดในไข่เชื่อมจากเกิดในคันให้ไปเปิดเ ป, เป็นโอปปาติกะเกิดเป็นสังเสทชะเป็นต <นา S 2> ้นอย่างใดอย่างหนึ่งพระองค์เนี่ยไม่มีตันหาที่เชื่อมต่อจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งอีกแล้วเพราะลักษณะของตันหาทั้งหลายเป็นตัวที่เชื่อม อันนะั้นคือตัวที่เชื่อมตัวที่นำเกิดจากที่1สู่ที่1นึ่มนพระองค์นี้ไม่มีตัวเชื่อมโยงเรียกว่าเหมือนกับสายโซ่ที่ฉุดลากไปสู่ภพต่างๆอีกแล้วมันพระองค์จึงไม่ไม่มีภัยจากที่ไหนๆพระพุทธเจ้าไม่มีความหวาดหวัน่นสะดุ้งผวาที่ไหนๆพระองค์ก็ไม่หวาดไม่หวั่นไม่ผวาเพราะพระองค์ไม่มีภัยคือชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและ อุปายาตพระพุทธเจ้าไม่มีภัยที่เกิดจากการติเตียนตนตนของตนเนี่ยฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าวินิจฉัยใคร่ครวญจนครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ตำหนิพระองค์เองไม่ได้ผู้อื่นพิจารณาโดยรอบครอบทีท้วนแล้วก็ตำหนิติเตียนไม่ได้พระพุทธเจ้านี่พระองค์อนุโมทนาพระองค์เองไหมอนุโมทนาพระองค์ไม่เคยนั่งดา่าตัวเองหรอกเนี่ยนะสองแล้วผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเขาอนุโมทนาไหม พระพุทธเจ้าในอดีตก็อนุโมทนาพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าาอพระองค์เองก็อนุโมทนาต่อตัวเองสาวกทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็อนุโมทนาในพระองค์เพราะอนุโมทนาในพระองค์นั่นแหลเราจึงสวดว่าอาระรหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตเป็นต้นนี่ก็คืออนุโมทนากับพระองค์นั่นแหละมันพระองค์จึงไม่มีภัยไม่มีความหวาดผวาไม่มีความหวาดสืดุง้งเพราะตัวเองติเตียนตัวเองไม่ได้ ผู้รู้ทั้งหลายวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนพระองค์มันพระองค์จึงเป็นผู้ที่ไม่หวาดไม่ระแวงไม่ผาวาไม่หวั่นไม่สะดุง้งเน่นะพราะฉะนั้นพระองค์มีพระพิสุขเข้าไปเฝ้าเป็นพันรูป